Selamat datang a e r e k a d i o l i d e n a n m e g a n g g u terkendali p e l a n g a n a n kebolehan tukar tidak akan memikat semak m a n b a c a buku-buku. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมิน์พระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขอมทนาท่านผู้มีกัทชาประสาทะสมัครเขามบวชทั้งแปดถเก้าคน ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติกิจของผู้ขมาบวชก็คือตั้งใจศึกษาเรื่องความการอบรมให้มีความรู้ในหลักของพระศาสนาเพราะว่า คำสอนในพระศาสนานั้นพระพุทธเจ้าแนะนำสั่สอนไว้ mm hmm. ก็เพื่อให้เราทุกคนได้นำเอาคําสอนนั้น mm hmm. มารักษาของดีที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนคนเราเมาเกิดมานั้น ธรรมชาติให้ของดีประจําตัวเรามาทุกคนสำหรับเป็นเครื่องประกอบสัมมาอาชีพทำชีวิตของตนให้เป็นมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าก็คือทุกคนนั้นมีกายวาจาใจสามอย่างประจําตัวด้วยกันทั้งนั้น และเราจะดีแล้วเราจะไม่ดีก็เพราะเราใช้กายว่าใจใจของเราทำทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีชีวิตก็ประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากไม่มีความเจริญในชีวิตถ้าเราทำดีพูดดีคิดดี ชีวิตของเราก็มีความสุขความเจริญคำสอนในพาศาสนานั้นสอนวิธีให้เราทำให้ดีพูดให้ดีคิดให้ดีที่เรียกว่าพศศาสนาเพราะฉะนั้นจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาให้มีความรู้และนาเอาคาสอนในพาศาสนานั้น ไปใช้กายให้ถูกใช้วาต า, าให้ถูกใช้ใจให้ถูกแล้วใช้กายวาตาถูกใช้ใจถูกแล้วจะดีอย่างไรนั่นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปคิดแล้วก็ทำให้ถูกเพราะฉะนั้นจึงเริจรึงพูดว่าการที่ทุกท่านได้มีศรัทธามะขมมงบวชซึ่งจัดโดย บริการทีโวทีโดยท่านบูริหารดังกล่าวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรอนมทนายินดีอันหนึ่งเราต้งหลายบวดวัตถุประสงค์อันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ น, นั้นก็คือจะถวายเป็นพระชุปุสส แต่พบัติัรรมแต่พระเปรมินทรมาภูมิคนอินเดีดรบรมนักบุสิศยุะบาตททิธรจะเต่ออยู่หัวรัชการดีเก้าในพระรพรหมกรรนั่นเป็นความประสงค์ของทุกคนเราจะถวายเป็นพระราชฎรศลแก่ท่านเรากงต้องมีคุณศ เพียงแค่ความบวชการเข้ามาบวชนั to to ada, business, ้นไม่น่าจะมียังไม่ไม่มีุ้ตลเหมือนกับเงินเราเข้ามาเป็นพนักงานท o t อเข้ามาสมัครแล้วก็บริษัทจ้รับให้ทำงานก็น่าจะยังไม่มีเงินมันต้องทำงานด้วย จบลงสิงเดือนก็มีเงินเดือนแล้วก็มีเงินเดือนแล้วก็เอาเงินนั้นไปสนองคุณบิดามารดาเอาไปให้ไม่ให้ทั้งเดือนก็ให้แักหน่อยถ้ามันยังไม่ได้เงินเดือนก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปให้ผู้สนก็เหมือนกันเพียงจะเข้ามาบวช ก็เป็นพนักงานของทีโอทีมันยังไม่ได้มีเงินต้องทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนถึงจะมีเนินบวกเพื่อต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นทำงินเดือนถึงไหมและทาเงินเดือนให้เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อกุศลมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็มีกุศลเอากุศลนั่นนหะไปถวายบา่จึงได้พระเจ้าอยู่หัในตระบรมโกศเป็นพระราชกุศลถ้าเป็นนั้นก็ขอให้ใหรู้ว่าเราจะถวายพระราชกุศลก็ต้องสร้างกุศนี้เกิดขึ้นก่อนธรรมกุศลนั้นมีความหมายว่า เป็นเรื่องของคนระเราจะเราจะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเราต้องรู้จักก่อนว่ากุศลคืออะไรเหมือนกับเราทํางานรับเงินเดือนสิ้นเดือนเนี่ยเราต้องรู้จักประเงินคืออะไรถ้าไม่รู้จักมันคืออะไรทํางานเสร็จสิ้นเดือนก็อเอากระดาษมาให้เราแล้วเราก็เลอก่อนเป็นเงินเลังจากนั้นต้องรู้จักเงินปฏิรร บ, บัติในรูปร่างเป็นไง มีค่าอย่างไรเป็นของจริงหรือของเก้เราจะทำกุศลจะสร้างกุศลเราก็ต้องรู้จักกุศลคืออะไรบางทีมันไม่รู้จักนั่นแต่ทำบุญทําบุญทําบุญไม่รู้ว่าบุญคืออะไรทราบแต่ว่าใครชวนทําบุญก็ต้องซ้กระเป๋าทราบยังไงต้องเสียเงินนไง ไม่รู้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่เอาขุศลเราจะเอากุศลไปถวายในดวงต้องรู้จักกุศลนและต้งสร้างกุศนนให้เกิดขึ้นกุศลนั้นแปลว่างานท่องขุนชราคนเรามันมีสองอย่างนะโง่และชราถ้าทําอะไรด้วยความฉลาดไอ้นั่นเป็นกุศล ถ้าทำอะไรโง่ๆนั้นไม่ใช่กุศลเราจะสร้างกุศลเราต้องทำฉลาเราต้องทำย่างฉลาก็คือให้รู้จักชั่วดีคุณโทษประโยชน์ที่ใชประโยชน์าการจะรู้จักนั้นก็ต้องศึกษาพิจารนาอันชีว่าอย่างนี้เป็นดี อย่างมีดีมารู้แล้วก็ต้องทาอย่างฉลาดต้องทำดีอย่าไปทาไม่ดีถ้าทำไม่ดีมันก็คนโม้ทำดีถึงจะเป็นคนฉลาดการทำดีอย่างฉลาดนั้นผลของการจะทำนั้นเป็นกุศลเป็นผลงานของคนฉลาดงานของคนฉลาดนั้นอย่างที่พูดแล้วว่า รักษากายของเราที่ดีรักษาวาจาของเราที่ดีรักษาใจาที่ดีอย่าทําผิดอย่าทําชั่ว อ, อย่าพูดชั่วแต่อย่าคิดชั่วอันนี้คือคนฉลาถ้าทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วอันนั้นคิดคนโมทําไมถึงเรียกว่าคนโ่ ก็ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วมันพาเราไปติดคุกและคนเดินไปหาคุกทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่คนฉลาดก็มาเดินไปติดคุกมันต้องเดินในห้ห่างคุกก็คือต้องทําดีๆต้องพูดดีๆคิดดีๆการทําดีพูดดีคิด ด, ด, ดีนั้นเป็นปุศุลเป็นเรื่องของคนฉลาด เพราะนั kind of tense, out, ้นมาศึกษาแล้วให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทําอย่างไรถึงดีทําอย่างไรไม่ดีพูดอย่างไรดีพูดอย่างไรไม่ดีคิดอย่างไรดีคอย่างไรไม่ดีแล้วก็ตั้งใจทาให้ครั้งดีอย่าไปทำครั้งไม่ดีเม่ตั้งใจทําทั้งดีแล้วพูดโสร่ก็จะเกิดขึ้น เมืเอ่อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เราก็มีกุศลเหมือนจะมีเงินเดือนนั่นแหละแล้วก็อากุศลเงินแต่ตัวเป็นพลังกุศลแล้วก็ทําดีพูดดีคิดดีนั่นไม่คช่ทำแต่พบบวญทุกไปแล้วก็ต้องทําทําตเรื่อยๆเลยทํามถึต้องทําเรื่อยเพราะว่าทำแล้วมันดีตัวเองต้องไปคิดอยู่ในในกับเอง บาตุนี่นก็เจ้าอยู่วะแม่ก็บรมโกนั้นพระราชกบฎนิติของพระองค์ทุกทุกอย่างอย่างที่เราทราบเราไม่ได้ทราทั้งหมดหรอกเพราะว่าโครงการตามพระราชดำรินันมีทั่นสี่พันกว่าโครงการทั้งหมดนั้นท่านทำเพื่อผู้อื่นที่ทําเพื่อประสบมีกรดาวใส่ทั้งหมด ก็คือทำให้พวกเราทั้งนั้นพระราชกิจของพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างให้เราเอามาใส่ใจว่าเราทำอะไรนั้นอย่าคิดทำเพื่อตัวเองเราต้องทำเพื่อผู้อื่นเพราะว่าถ้าเราคิดทำเพื่อตัวเองแลอ สิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเติมมันเจ้าไม่ย่าแต่ถ้าเราทําเพื่อผู้อื่นอย่างในหลวงท่านทำง่ายนะสิ่งที่เราอยากมีอยากได้นะมันมาข้างมันเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องถือปจิปตาหรือพระวจนะหตีของในรวมนั้นเป็นแบบอย่างให้เราได้ดาเนินรอยตามเราทําอะไรต้องทําเพื่อคนอื่น ไม่ไปทำ้วยตัวเองมันเป็นพนัก ง, งานทีโอทีก็ต้องตั้งใจทนงานเพื่อให้บริษทัททิจีนั้นมีความเพลินมีความมัน่นคงมีความเจน้าและถามถารถทำให้ดูสษัท ด, ดีแด้เราได้อะไรได้โบนัสใช้ขาดคุณเยอะโอ้โบนัส ถ้าเราทำเพื่อตัวเองเนี่ยถ้ามันไม่ได้โบนัสปีไห น, นไม่ได้โบนัสปีนั้นจะโทอแทนะ้ใครๆก็ได้แต่ทังนั้นทำไมบริษัทนี้ไม่ได้มันเป็นแต่โทษแท้เลาต้องอานในหน้าที่มันก็แะ่อนมันก็ไม่ทำเต็มที่นี่ถ้าเราทำเต็มที่บริษัทมีกำไรมากสรรพบริหาร สมาการผู้จัดการใหญ่ท่านจะให้แบ่งกำไรให้เป็นโบนัมเราประจำเดืดอนประจปีน่าจะได้มาเพื่อจะยืนยันว่าการทำเพื่อตัวเองมีโทษทำเพื่อผู้อื่นนั้นมีคุณแต่เร า, าในทางในฝังเรื่องนึง แค่พูดเฉยๆนี่บางกีมันทีไม่เขา้าใจแต่เราในฐานจะได้เห็นว่าเราทำเพื่อคนอื่นมันมีคุณอย่างไรวิธีทำเพื่อบริกาคเงินเดือนก็ได้เพิ่มนะเพราะว่าทา่านผู้บริหารท่านมองใครขยันทำงานท่านจะขึ้นมันเดือนให้ช่านจังทัน ไปที่กไม่ทำงานเนี่ยเห็นตะเบย์นัตัวมาก็คุยกันมานกากนู่นอย่าหวังว่าจะขึ้นเนินเดือนต่แหน่งหน้าที่มันก็ไม่ไปนิทานที่จะเล่าให้ฟังนั้นเาว่ามีมีคนอยู่คนนึงแต่นิทานนี้เป็นเป็นชาวอาหรับ มีสมบัติสมบัตินั้นอย่างยื่นไม่พูดในนิทานจะพูดเจะก็มีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงอยู่มีอูดมีอูดอยู่ทีเจดตัวทำตัวเองเป็นดีมีอูดอยู่ทีเจ็ดตัวต แล้วก็มีลูก้าอยู่สามคนเมื่ออายมมาเราคิดว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยอูดิบเจ็ดวนี่ลูกสามคนมันจะแบ่งกันยางไรตกเงียงที่ไหนกันไว้คนโตนั้น ไ้นหนึ่งในสองเจ็ตัวก็ได้แปดตัวครึ่งได้หนึ่งในสองตัวนคนที่สองได้หนึ่งในสามก็ได้หาตัวกว่าคนแรกได้ดหนึ่งใน9ก้าก็ได้ตัวกว่าเวลาก่อตายแล้วก็ <c oughs> ลูกสามคนเอาไปันมน ทนยังไงตามมาเปิดตามคนกดตามจะเอาส่วนของตัวเองเป็นที่คนโตก็จะเอาตาฮะแปดตัวครึ่งคนกลางก็จะเอาห้าตัวกว่าคนเลเ็กก็เอาตัวกว่าตามในตามที่พู่แล้ถามว่ากลัวนันยามาทําอะไร ไอสัตว์ขึ้นตัวมาทำอะไรมันก็ตายไม่มีค่าเลยกับเราเลยแผนจะมีโทษเราจะต้องไปคุดหลุงฝังมันจนเน่าข้าวาบ้านชาวือ น, นี้มีโทษของการเอาขึ้นตัวที่จริงเป็นจิดของเราหลกเอาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรา แต่ว like go go ่าถ้าเราไม่เอาได้ไหมขึ้นตัวเราให้น้องได้ไหมน้องจะแตดตัวให้น้องก็จะเป็นบุญคุณน้องก็จะเป็นวัตถีสาราให้เราขึ้นเ้วก็ขึ้นของเราก็ไม่เสียแ็มได้เป็นตัวแต่ว่าทุกคนต่างไม่ยอมต่างจะเอาคิดจะจะเอายางไง ไม่ใมีปัญหาสัมเจกันเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เห็นตามพี่นอ้องสามอาชีพยันดีก็อเอาไปนัยกรรมมาเปิดมีปัญหากัะเจริญก็คิดสุบชั่วยเลก็เลยให้อูดมาตัวหนึ่งเอาอูดให้มาตัวอันนี้ไม่เอานะให้ เป็น18ตัวใช่ไหมทีนี้แบ่กันลงตัวให้พี่ชายได้หนึ่งในสองตัวได้เก้าตัวคนกลางได้หนึ่งในสามก็ได้หกตัวคนเล็กไดหนึ่งในเก้าก็ได้สองตัวใช่ อูาอดมาตัวหนึ่งไม่เสียอูดด้วยได้ความกระลบนักถือได้ได้อะไรหลาอย่าสามพี่น้องนี่ก็ต้องให้ความหนักถือที่พอุษาให้มาทำให้ไม่ต้องกระลอดกันแล้วให้มาตัวหนึ่งนะ่ไม่เสียด้วยและทำให้สามพี่น้องเนได้กำไรควรจะได้แปดตัวขึ้นได้เก่า ควรจะได้ห้าตัวกว่าได้โบควรจะได้ตัวกว่าได้สองได้เท่าไหร่นี่นี่ทานให้เห็นว่าการให้นั้นมีคุณไม่เสียแต่ว่าเรามากักจะคิดว่าการให้นั้นเสียเอาในชีวิตจริง เราครบกับใครเราครบกับเพื่อนถ้าเราเอาเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยถามว่ามันจะอยู่กันได้ไหมทีนี้ถ้ากลมกล่อมเพื่อนที่เราครบเนี่ยไม่เอาจะเราอย่างเดียวไม่เคยให้อะไรเล ย, เยมันก็ไม่อยากอยู่นะทีนี้ว่าถ้า กับเพื่อนเราเนี่ยให้แต่ให้ไม่เคยเอาอะไรเราเราจะไม่ให้เขาถือพี่ก็ให้เราเราก็ไม่ให้อยากได้ของเขาเท่าไหร่เราก็คงเอาที่จําเป็นแล้วก็เรามีอะไรเราก็ต้องให้ไม่มีคิดเฉียดบังเอิญในชีวิตจริงเอาเป็นว่าบ้านใกล้เดินเคียง ถ้าเราอยู่ด้วยกันก็ออกไปบ้านเจอเจอหน้าก็ยิ้มบ้างทักทายบ้างปากใสบ้างมีอะไรก็เอาไปฝากเขาบ้างแล้วถามมาบ้านเราจะต้องฝากตารวจไหมนีู่ืให้แต่ถ้าเราเอาไม่ให้อะไรเลยไม่แบ่งปันแม้แต่พูดยิ้มให้กันยังไม่ยิ้มเนี่ยควายมันไม่บ้านมันก็จะไมีคนนี้ ทั้งหมดนี้ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราทำอะไรให้เนี่ยมันมีแต่คุณทำอะไรให้บริษัทที่โอทีเงินเดือนยกขึ้นตำแหน่งก็ได้เขาไม่ทิ้งเราหรอกแล้วถ้าบริษัทมีกำไรโบนัสก็ได้เยอะยิ่ถ้าเราทำเอาใจ เงินเดือนอยากอยากปีคิณเดินจขึ้นถ้าพขไม่ขึ้นปีหนึ่งปีนี้ไม่มีขึ้นเงินเดือนเขอแทนแล้วแทนที่จะทํางานให้เต็มที่ไม่กําลังมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อ น, นึกถึงประบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกรธและการบิดเบนึกถึงพระราชเริญกิตติของพระองค์ที่ท่านบำเพ็ญ แล้วเราคิดถึงท่านบวชถวายครับ ก, ก็นึกถึงพระเจียงจิตและเอาอ น, นั้นมาปฏิบัติปฏิบัติตัวยความอร่อยก็มุง่งให้ประโยชน์กับคนเพื่อนคบเพื่อนกน็หวังประโยชน์ให้เพื่อนไม่ไปเอาประโยชน์จากเพื่อนอยู่บริษัทก็สร้างประโยชน์ที่เกิดกับบริษัทไม่ไปเอาเปรียบบริษัทอยู่บ้าน การ ย, ยืนเกียรก็หวังประโยชน์กับเขาไม่ใช่ไปหวังเอาจากเขาถ้าหวังอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เราอยากได้มันมาเองมันมาเข้ามาเองไปคิดยูก็เดียว ก, กี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนสลายเป็นผุศสนอย่างเด่นถ้าคิดเอาเปรียบเขาเนี่ยเป็นของเรื่องของคนโง่เพราะว่าขาดเพื่อนคขาใครใครเขาไม่คบอยู่ก็ใครก็ มีแต่เขาเริมเกียนก็ขอพูดเขานี้เตือใตนให้ทราบว่าทำอะไรถ้าเพื่อคนอื่นั่นก็ไม่คุณอย่าอยู่ถ้าทำอะไรเห็นแต่ตัวเราก็มีโทษเพราะฉะนั้นบวชแล้วสร้างกุศลก็คือสร้างเรื่องของคนสะาดอย่าไปสร้างเรื่องของคนโง่ เราไปจะมีกุศลกับสวรรค์ในดแล้วก็กุศ ล, ล, ลนั้นไม่ได้สร้างเฉพาะเวลาบวชสร้างตลอดชีวิตเพราะเป็นงานของคนเฉลิลาเราจะเป็นคนโง่หรือเราจะทางานแบบคนโง่หรือเราจะทงานแบบคนเฉลิลาบวชเรให้ในกุศลในความคิดอย่างนี้เราก็จะเป็นประโยชน์สมกับคาที่พระพุทธเจ้าว่า ตัวผมประกอบการบว ด, ดีนะดีไหดีอย่างที่พูดนี่ขอโมทนาทุกๆ ท, ท่านที่มีตัตะาค้ามบวชแล้วก็ขอให้ตั้งใจรับการอบรมแล้วก็จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็คิดแบบคนฉราให้เป็นกุศล อย่าคิดแบบคนงโง่แล้วก็คิดแบบคนฉราดทำแบบคนฉราดพูดแบบคนฉราดนะั้นเป็นคุณทำได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ทำเฉพาะเวลาบวชขอให้ทุกท่านได้มีคติเกือนใจและปฏิบัติที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ใช่เฉพาะคนบวชคนที่ฟังก็ควรจะสามามาทำด้วย ทำอย่างคนฉลาอย่าทําแบบคนโง่ถ้ทําแบบคนโง่แล้วพาเราชิบหายและความชิบหายเนี่ยเราไม่ได้อยากได้แปลกนะไม่อยากเลยความชิบหายแต่อยากทํำหนึ่งชิบหายโมทนากันแล้วกันพูดมากเวลาจุโาชนแด่พระบาทสําเร็จพระประมินทระมาคุณพลอรุลเดชบรมนาถบพิต ขอมัฒ น, นาท่านผู้มีศรัทธาประสาทะสมัครขามาบวชทั้งแปดเกคนก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติกิจของผู้คมาบวช ก็คือตั้งใจศึกษาเราเรียนความการอบรมให้มีความรู้ในหลักของพศนาเพราะว่าคำสอนในพศนานั้นพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไว้ก็เพื่อให้เราทุกคนได้นำเอาคำสอนนั้น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 ก็คือทุกคนนั้นมีกายวาจาใจสามอย่างประจำตัวด้วยกันทั้งนั้นและเราจะดีแล้วเราจะไม่ดีก็เพราะเราใช้กายวาจารใจของเราทำทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีชีวิตก็ ประสบจากความทุกข์ยากลำบากไม่มีความเจริญในชีวิตถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีชีวิตของเราก็มีความสุขความเจริญคำสอนในพระศาสนานั้นสอนวิธีให้เราทำให้ดีพูดให้ดีคิดให้ดีที่เรียกว่าพระศาสนา เพราะฉะนั้นจึงเป็นของจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาให้มีความรู้และนําเอาคําสอนในพระศาสนานั้นไปใช้กายให้ถูกใช้วาจาให้ถูกใช้ใจให้ถูกและใช้กายวาจาถูกใช้ใจถูกแล้วจะดีอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปคิดแล้วก็ทําให้ถูก เพราะฉะนั้นจึงเรียกจึงพูดว่าการที่ทุกท่านได้มีศ ร, รัทธามาคขมบวชจึงจัดโดยบริษัทเที่ยวทีโดยท่านบุริหานดังกล่าวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรอนุทนายินดีอันนึงเราต้องรายบวด วัตถุประสองค์อันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมนาริบดีก็คพระบาทสมเดจระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าในพระบรมกรุนั่นเป็นความประสงค์ของทุกคนเราจะถวาย เป็นพระราผูส้สนแก่ท่านเราก็ต้องมีผูส้สมเพียงแต่ความบวดการเข้ามวดนั้นไม่น่าจะมียังไม่ไม่มีผูส้สนเหมือนกับเงินเราเข้ามาเป็นพนักงานทีโอที เอามามัำรแล้วก็บริษัทการรับให้ทำงานก็หน้าที่ยังไม่มีเงินมันต้องทำงานด้วยจบแล้วกินเดือนก็ไม่ีเงินด้วยแล้วก็มีเงินเดือนแล้วก็เอาเงินนั้นไปสนองคุณบิจารมันดเอาไปให้ไม่ให้ทั้งเดือนก็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 บวชก็ต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นทำเงินเดือนเหมือนกับทำเงินเดือนให้เกิด ข, กเกดขึ้นแล้วก็เมื่อกุศลมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ามีกุศลเอากุศลนั่นนะ่ะไปต่อว่าตบะทิณฑ์้าเ จ, จะอยู่ัในพระรมโกศเป็นพระราชกุศลก็ราะฉะนั้นก็ขอให้ใหรู้ ว่าเราจะถวายพระกุศลสนก็ต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นก่อนคำว่ากุศลนั้นมีความหมายว่าเป็นเรื่องของคนละเราจะเราจะสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเราต้องรู้จักก่อนว่ากุศลคืออะไร เหมือนกันเราทำงานรับเงินเดื อ, อนื่นเดือนเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเงินคืออะไรถ้าไม่รู้จักเงินคืออะไรทำงานเสร็จเราตื้นเดือนก็อเอากระดาษมาให้เร า, าเราก็ากนื้อกเป็นเงินนอกจากนั้นต้องรู้จักเงินทันตะบะน้นรูปร่างเป็นไงมีค่าอย่างไรเป็นของจริงหรือของเก้เราจะทำกุศลจะสร้างกุศลเราก็ต้องรู้จักกุศลคืออะไร บางทีมันไม่รู้จักนั่จะทําบุญทําทบุญทําบุญไม่รู้ว่าบุญคืออะไรทราบแต่ว่าใครชวนทําบุญก็ต้องซ้กระเป๋าทราบยังไงต้องเสียเงินไนะ่ไม่รู้ยังไง น, นนะแต่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่เอากุศลเราจะเอากุศลไปถวายในหลวงต้องรู้จักกุศลแล้วต้องสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกุศล น, นั้น แปลว่างานของคุนชราคนทำนมีสองอย่างนะโง่ชราถ้าทำอะไรด้วยความชราให้นั่นเป็นกุศลถ้าทำอะไรโง่โๆ่ให้นั่นไม่ใช่กุศลเราจะสร้างกุศลเราต้องทำฉลาเราต้องทำยางชรา ก็คือให้รู้จักชั่วดีคุณโทษประโยชน์ทีป่ประโยชน์การจะรู้จักนั้นก็ต้องศึกษาพธาธาิจารณาอันชี้ว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำอย่างฉลาดต้องทำดียังไปทำไม่ดีถ้าทำไม่ดีมันก็คนโง่ทำดีถึงจะเป็นคนเจาิ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 อย่าคิดชั่วอันนี้คือคนฉลาดถ้าทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอันนั้นคือคนโมทําไมถึงเรียกว่าคนโ่เพราะทาชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วมันพาเราไปติดคุกและคนเดินไปหาคุกเป็น ค, คนฉลาดหรืคนโง่ คนฉลาดก็ไม่เดินจะติดคุกมันต้องเดินให้อ่างคุกก็คือต้องทําดีๆต้องพูดดีๆต้องคิดดีๆการทําดีพูดดีคิดดีนั้นเป็นปิโซเป็นเรื่องของคนฉลาดเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาแล้วให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทําอย่างไรถึงดีทําอย่างไรไม่ดีพูดอย่างไรดีพูดอย่างไรไม่ดีคิดอย่างไรดีอย่างไรไม่ดี แล้วก็ตั้งใจทำให้ความดีอย่าไปทำข้างไม่ดีเมตั้งใจทำข้างดีแล้วกุศลก็จะเกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เราก็มีกุศลเหมือนจะมีเงินเดือนนั่นแหละแล้วก็เอากุศลนั่นเป็นปตัวเป็นพลังกุศลแล้วก็ทำดีพูดดีคิดดีนะไม่จช่ทำเะพาะบวชฝึกไปแล้วก็ต้องทา ทำไปเรื่อยๆทำไมถึงต้องทำเรื่อยๆเพราะว่าทำํำแล้วมันดีแก่ตัวเองมันไปคิดอยู่ไกลกันอ่าอบายทิมเดเจ้าอยู่หัวแม่ระบรมโกุฏนั้นพระราชกุลนิติของพระองค์ทุกๆอย่างอย่างที่เราทราบเราไม่ได้ทราบทั้งหมดหรอกเพราะว่าโครงการตามพระราชบัญญัติมังมีทั้ง ที่พันกับโครงการทั้งหมดนั้นท่านทำเพื่อผู้อื่นที่ทำเพื่อประสบมีกรอนเราใจทั้งหมด mm. ก็คือทำให้พวกเราทั้นั้น mm. พระราชกิจของพระองค์นั้น mm. เป็นแบบอย่างให้เราเอามาใส่ใจว่าเราทำอะไรนั้น อยากคิดทำเพื่อตัวเองเราต้องทาเพื่อผู้อื่นเพราะว่าถ้าเราคิดทำเพื่อตัวเองแล้วสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะไม่ได้แต่ถ้าเราทำเพื่อผู้อื่นอย่างในหวนทงท่านถาไห้สิ่งที่เราอยากมีอยากได้นะมันมาของมันเองทุกอย่างเพราะฉะนั้น ต้องถอปฏิปทาด้วยพระราคบัญญัติของใหรหวงนั้นเป็นแบบอย่างให้เราได้ดำเนินหน่ อ, นอยจาะเราทําอะไรต้องทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองมเป็นพนัก ง, งานทีโก็ต้องตั้งใจทํางานเพื่อให้บริษัทที่ิดนั้นมีความเจรมีความมัน่นคงมีความเจริญและถามมาทำบริษัทดีแล้ว เราได้อะไรได้โบนัสบริษัทก็สุส่มอด้โบนัสถ้าเราทำเพื่อตัวเองเนี่ยถ้ามันไม่ได้โบนัสมีไหนไม่ได้โบนัสมีนั่นจะโทอแท้ใครๆก็ได้แต่ทั้งนั้นทำไมบริษัทมีไม่เจอมันจะได้โทษแท้ เราก็างนานในงานที่มันก็แก่่อนมันก็ไม่ทำเต็มที่นี่ถ้าเราทำเททต็ทมที่บริษัทมีกำไรมากทัานผู้บริหารสมการผู้จัดการใหญ่ท่านจะให้แบ่งกำไรให้เป็นโบนัสเรากระจำเดือนประจำปีน่าจะได้มาเพื่อจะยืนยันว่า การทําเพื่อตัวเองมีโทษทําเพื่อผูอื่นนันมีคุณแต่เราในฐานในฝัความรื่นเริงให้พูดเฉยๆนี่บางทีมันทีไ ม, มเข้าใจแต่เรามีฐานจะได้เห็นว่าเราทําเพื่อผู้อื่นมันมีคุณอย่างไรพี่ที่ทำเพื่อตัวเอง เงินเดือนก็ได้เพิ่มนะเพราะว่าท่านบุกเรืหานท่านมองใครขยันทางานท่านจะขึน้นเงินเดือนให้ขั้นสองขัไอ้ครขี้เกียจไม่ทํางานเนะี่ยเห็นประโยชนตัวมาก็คุยกันม า, าการโ้นอย่าหวังว่าจะขึน้นเงินเดือนตําแหน่งหน้าที่มันก็ไม่ไหวมิตานที่จะเล่าให้ฟังนั้นเาว่ามี คนอยู่คนแต่นิทานนี้เป็นชาวอารับมีสมบัติสมบัตินั้นอย่างอื่นไม่พูดในนิทานจะพูดเฉพาะมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงอยู่มีอูดมีอูดอยู่17เจ็ดตัว ทำตัองเ็ดีมีอูดูจิตเจ็ดตัวแล้วก็มีลูกชายอ ย, ยู่สามคนเมื่ออายุม า, มากเราคิดว่ า, ม า, าเมื่อเราตายเราจะอูจิตเจ็ดตัวนี้ลูกสามคนมันจะแบ่งเป็ น, ปนย่างไร คนโตนั่งได้หนึ่งในสองตัวกเจ็ดตัวก็ได้8ตัวครึ่งได้1ใน2ส่วนคนที่2ได้1ใน3ก็ได้หาตัวกว่าคนเรดเด้หนึใน9กก็ได้ตัวกว่า เวลาพ่อตายแล้วก็ลูกสอคนอาไปนมันเอาไปไหนตาํตาเปิดต่างคนก็ต่างจะเอาส่วนของตัวเองเป็นที่คนโตก็จะเอาตาัดเอาแค่ ต, ตัวครึ่งคนกลางก็จะเอาฮาตัวกว่าคนเล็กก็เอาตัวกว่าตามในการที่พู่ให้ถามว่า กลัวนั่า น, านยามาทำอะไรอ้สัตว์ขึ้นตัวมาทำอะไรมันก็ตาไม่มีค่าเลยกับตัวเราเลยแทนจะมีโทษเราจะต้องไปขุดหลุมฝังจะเนา่าข้าวหาบ้านหาเรือนเงินมีโทษของการเอาขึ้นตัวที่จริงเป็นจิตของเราหรอก เอาก็ไม like like ่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเราไม่เอาได้ไหมขึ้นตัวเราให้น้องได้ยังไงเรงจะแปตัวให้น้องก็จะเป็นบุญคุณน้องก็จะเป็นว่าถุรูปสารมาให้เราขึ้นล้วก็ขึ้นของเราก็ไม่เสียแต่ได้เป็นตัวแต่ว่าทุกคนต่างไม่ยอมต่างจะเอา คิดจะจะเอาอย่างเดลือไม่ให้มีปัญหาสันา拉กันเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเห็นกามพี่นอ้องสามมาคีกันดีก็เอาไปนายจรามาเปิดมีปัญหากันเธอก็คิดจะชั่วเลยก็เลยให้อูดมาตัวหนึ่งเอาอูดให้มาตัวอันนี้ไม่เอานะฮะ เป็น8ตัวเช่ไหมที่นี้แบ่งกัรลงตัวให้พี่ชายได้1ใน2ตัวได้9ตัวคนกลางด้1ใน3ก็ได้6ตัวให้คนเล็กได้1ในในเก่าก็ได้2ตัวใช่ไห ไม่เสียอุดด้วยได้ความกระลบนักถือได้ได้อะไรอีกหลยอย่างสามพี่น้องนี่ก็ต้องให้ความหนักถือวัตถุสาให้มาทำให้ไม่ต้องทระเลาะกันแล้วให้มาตัวหนึ่งน่นไม่เสียด้วยแลวทำให้สามพี่น้องได้กำไรควรจะได้แปดตัวพิงใบเกา่า ควจะได้ห้าตัวกว่าได้โบควรจะได้ตัวกว่าได้สองได้เท่าไหร่นี่นิทานให้เห็นว่าการให้นั้นมีคุณไม่จะเสียแต่ว่าเรามักจะคิดว่าการให้นั้นเสียเอาในชีวิตจริง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 กับเพื่อนเราเนี่ยให้จะให้ไม่เคยเอาอะไรเราเราจะไม่ให้เขาอยู่คิดก็ให้เราแลเราก็ไม่เคยอยากได้ของเขาเท่าไหร่เราก็คงเอาที่จําเป็นแล้วก็เรามีอะไรเราก็ต้องให้ไม่มีคิดจะเบียดบางเราในชีวิตเอาเป็นว่าบ้านใกล้เรือนเคียง ถ้าเราอยู่ด้วยกันไมออกไปบ้านเจอเจอหน้าก็ยิ้มบ้างทักทายบ้างปาใสบ้างมีอะไรก็เอาไปฝากเขาบ้างแล้วถามว่าบ้านเราจะต้องฝาบตำรวจไหมี่คือให้แต่ถ้าเราเอาไม่ให้อะไรเลยไม่แบ่งปันแม้จะพูดยิ้มให้กันยังไม่ยิ้มเนี่ยคอยไหมไบ้านมันก้จะมีคนนี้ ทั้งหมดนี้ก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราทำอะไรให้ี่ยมันมีจากคุณทำอะไรให้บริษัทกโอที C, เงินเดือนดกขึ้นตำแหน่งก็ได้เขาไม่ทิ้งเราหรอกเราทับบริษัทมีกำลัโงโบนัสก็ได้เยอะถ้าเราทำเอาจ้ เงินเดือนอยากยากติดเงนเดินจะขึ้นแล้พกไม่ขึ้นปีหนึ่งปีนี้นไม่ได้ขึ้นเงิงเดือนพอทแท้แล้วแทนที่จะทำงานให้เต็มที่ไม่กำลังมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกรธรงชการดีเจนึกถึงพระราชเครื่จีบของพระองค์ที่ท่านบาเพ็ญ ถ้าเรานึกถึงท่านบวชถวายพระก็นึกถึงพระเจ้าปิติและเอาอนัตตานมาปฏิบัติปฏิบัติตัวยความอะไรก็มุ่งให้ประโยชน์กับคนอื่นคบเพื่อนก็นหวังประโยชน์ให้เพื่อนไม่ไปเอาประโยชน์จากเพื่อนอยู่บริษัทก็สร้างประโยชน์ที่เกิดจาก บ, บริษัทไม่ไปเอาเปลียบริษัทอยู่บ้าน ไถ้า่ยงเกียร์ก็หวังประโยชน์กับเขาไม่จะไปหวังเอาจากเขาถ้าหวังอย่างนี้ให้สิ่งที่เราอยากได้มันมาเองมันมาเขามันเยายามไปคิดอยูกกับลบกั น, กนอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนสลายเป็นผุศสนอย่างหนึ่งถ้าคิดเอาเปรียบโตเนี่ยเป็นของเรื่องของคนโง่เพราะว่าขาดเพื่อนครอบใครใครโตไม่ครบอยู่กับใจก็ มีแต่เขาลงเกียนก็ขอพูดต้งมีเตือนให้ทราบว่าทำอะไรถ้าเพื่อคนอื่นนั้นก็มีคุณอย่างอยู่ถ้าทำอะไรเห็นกับตัวก็มีโทษเพราะฉะนั้นบวชแล้วสร้างกุศลปกืิสร้างเรื่องของคนสะอาอย่าไปสร้างเรื่องของคนโง่ เราก็จะมีกุศลกับสวรรค์ในหลวแล้วก็กุศลนั้นไม่ไดสร้างเฉพาะเวลาบวชสร้างตลอดชีวิตเพราเป็นงานของคนฉลาดเราจะเป็นคนโง่หรือเราจะทํางานแบบคนโง่หรือเริ่มทำงานแบบคนฉลาดบวชจะให้ในกุศล ใ, ในความคิดอย่างนี้เราก็จะเป็นประโยชน์สมกับคำที่พระพุทธเจ้า ว, ว่า ตุโภคปัจจุ บ, บวน ด, ดีนะดียังไงดีอย่างที่พูดนี่ขอมโมทนาทุกๆ ท, ท่านที่มีตรัทธาคำบวชแล้วก็ขอให้ตั้งใจรับการอบรมแล้วก็จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็คิดแบบคนชราให้เป็นกุศล อย่าคิดแบบคนโง่แล้วก็คิดแบบคนฉราดทำแบบคนฉราดพูดแบบคนฉราดนะั้นเป็นคุณทำได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ทำเฉพาะเวลาบวชก็ให้ทุกท่านได้มีปติเกือนใจและปฏิบัติที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ใช่เฉพาะคนบวชคนที่ฟังก็ควรจะต้องมาทำด้วย ทำอย่างคนฉลาดอย่าทำแบบคนโง่ก็ทําแบบคนโง่แล้วพาเราชิบหายและความชิพหายเนี่เราไม่ได้อยากเลยแปลกไม่อยากเลยความชิพหายแต่อยากทำให้มันชิพหายโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มทนากันแล้วกันพูดมากครับแล้วครั้งนี้ขอ